ก็มีตรงสภาฆะอาบัติก็มีสภาฆะวัตถุก็มีตรอาจารย์แสดงกลับออกมาก็แสดงว่าแสดงทั้งปาทั้งปาจิตตีทั้งทุกอดทุกอดนั่นด้วยพอรับอย่างนี้ใช่ไหมเพราะรับทำเพรรับก็เป็นอันหมดไปคนนี้ยังเหลือทุกอดพอแสดงยินดังนั้นจึงแสดงอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้เราทั้งสองจิงชื่อว่าอารัชีด้วยกันทั้งคู่เป็นครับเป็น อ้าวก็เขาแสดงอีกครั้งหนึ่งไงก็เราแสดงสามครั้งใช่ไหมก็ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่มีทุกกฎตัวนู้นี่นนะผมไม่มีผมจะต้องแสดงทำไมอ่ะท่านแสดงกับผมอ้าวท่านแสดงปาจิตจีกับผมใช่ไหมท่านก็ต้องทุกกฎเพิ่มผมก็ต้องทุกกฎเพิ่มสมมติอย่างนี้นะเอาไม่ต้องสมมติเอามันจริงจงผมผมแสดงว่าผมมีทั้งปาจิตจีทั้งทุกกฎ แตของท่านตอนนั้นป่าจิตตีหมดไปแล้วเหลือแต่ทุกโกรท่านมีทุกโกรเพราะการแสดงผมมีทุกโกรเพราะการรับคนละวัตถุนะครั บ, ร บ, รบอ่ะแล้วผมเริ่มแสดงนะทัสองตัวหมดไปเลยทั้งทุกโกรทั้งปาจิตีใช่ไม้มท่านเป็นผู้รับที่เหลือท่านเป็นทุกโกรธหนึ่งตัวท่านก็แสดงกับผมแสดงไงกับผมหมดไปแล้ว ก็ปฏิท<อ>ินก็ตัวเดียวกันไงก็มาแสดงท่านจึงเจอเกิดอีกตัวนึงองค์องค์แรกก็หมดไปปฏิทินหมดไปแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวเอาตัวท่านเลยท่านต้องปฏิทินผมต้องปจิทินพระฆ่าจั์ใช่ไหมท่านมาแสดงกับผมท่านเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอาบัติคือทุกโกรแต่ปจิตินท่านหายไม่หายเพราะไม่เอื้อเฟือจึงเกิดทุกโกรอีกหนึ่งตัวใช่ไหมครับหนึ่งตัวผมมีปฏิทิอยู่ตัวเดียวแต่เพราะไม่เอื้อเฟือผมรับแสดงของท่านผมจึงมีทุกโกรอีกหนึ่งตัวเป็นสองตัว แต่ตอนนั้นท่านท่านท่านบริสุทธิ์โดยปาจิตติแต่ยังมีทุกกฎนะผมก็เลยแสดงทั้งปาจิตติทั้งทุกกฎของผมคารวะถูกกับท่านนะแสดงกับท่านของผมก็เลยหมดไปไแล้วก็ของท่านเหลือไอจวงไหมครับเหลือทุกกฎใช่ไหมครับท่านก็แสดงครั้งที่สามกับผมเป็นอันหมดไปใช่ไหมครับสงสัยว่าทุกกฎมันที่แสดงทุกกฎต่อทุกกฎใส่กันจะเป็นทุกกฎอีกสัวนหนึ่งไม่ใช่เพราะของท่านต้องพอแสดงผมต้องพอรับใช่ไหมครับ นั่นนี่พระแม่ผมแสดงมาหายไปแล้ครับอาจารยที่มาแสดงที่หลังนี้ก็เป็นพระจิติตัวเดียวกันอ้าวท่านมีที่ไหนอ่ะตอนนั้นท่านมีที่ไหนอ่ะพระจิติแสดงว่าตัวนั้นท่านแสดงไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เสียไม่หมดไปดสิต้นะตอนนั้นแสดงว่าท่านยังไม่แสดงถ้าผมอย่างนั้นใช่ปะอ้าวแล้วถ้าท่านบอกว่าแสดงตกคือคืนเป็นไงคืนเป็นไงสภาพมันจริงๆคือหายไปแถวแล้วผมแสดงกับท่านท่านบอกว่าท่าน ตอนนั้นท่านบอกได้ไหมท่านว่าได้ไหมว่าท่านยังมีปาจิตติอยู่มีบ้ามีมีฮะอ้าวก็หายไปแล้วยังชื่อว่าไดยังไงวะเดี๋ยวตีด้วยกระบอกเลยหายไปแล้วคือมันหายไปแล้วครับมันหายไปแล้วนะมันหายไปแล้วเสียอยังเอ่หทำไม ผมจำไม่แม่นนะครับตรงนี้ว่าผู้รับต้องแต่แต่นะจํามาแต่ผู้ผู้ผู้ผแสดงแม่นเลยว่าต้องนะครับรอบแต่จะไปถึงประมาณแกแกติงตองติงต้องไหองหาจลล์ผมชักไม่ค่อยไว้ใจหลายอย่างอาจารย์รถจำมาเนี่ <c oughs> คือคือเอาอย่างนี้อย่างนี้นมาหาจลล์นะครับแกอยู่ทามโออ่ะ ฟังมามาฟังมาบ้างแล้วก็ได้เรียนบ้างแต่แกยังไม่ได้แปลหนังสือแกยังแปลไม่ออกเลยนะครับแล้วฟังจากอาจารย์แล้วแกไปช่วงใหม่แล้วเขาสอนวินัยกันเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์สอนได้เยอะเท่าไหร่เพราะเพราะพวกไอ้ตูนี่ก็เรียนมาไม่เยอะเท่าไหร่เพราะอาจารย์ป่วยนะครับสอนสอนสอ น, สอนไว้ได้ไม่นา น, นเดือนนึงหรือเท่าไหร่ก็ป่วยแล้วก็ไม่ได้สอนอีกเลยเพราะฉะนั้นจึงจึงคัดลอกจากสมุดบ้างจากอะไรบ้าง สมุดของผมเองถูกคัดลอกหลายปีครับเดินทางกว่าจะถึงมือผมนี่ครับประมาณสักห้าหกปีกรับพอผมออกจากธรรมโอสมุดวิ น, นัยก็มันเริ่มล้นเล่ครับมันเริ fazer, <YouTube> ่มเดินทางสมุนภาพวิธรรมผมเสียดายจนบัต น, นี้ผมไม่ได้ผมทําหลักสูตรวิธีไว้ได้มากเลยอาจารย์นันทจะไปไต้หวนันท่านรีบสอนสอนวิธีคิดอภิธรรมวิธีคิดดีกาวิธีดูดีกาแล้วมีมีมีวิธีคิดเลยครับมันมีวิธีวิธีวิธีปถาวัตถุอะไรอะไมันมีวิธีคิดครับ ผมเรียนแต่ยังไม่ได้พิจารณาครับต้องรีบดิ้นนี่รีบเพราะผมต้องเรียนด้วยแล้วก็ต้องสอนเออชั้นหลังด้วยสอนก็ทั้งรูปสิทธิทั้งเออลังกละทั้งเขียนปริสิกามุนจึงไม่มีเวลาเลยครับอาจารย์ก็บอกไม่มีเวลาไม่เป็นไรเรียนไม่ก่อนเรียนไว้ก่อนเรียนเรียนบันทึกบันทึกบันทึกบันทึกเรียนเรียนเแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ดูเอาเองแล้วกันผมก็ทําครับพี่สามารถก็หวังจะจดกับผมครับพี่สามารถก็นั่งครับ พอหมอดลาถึงแลมพูดถึงไหนล่ะไหนดูสมุดสิพทําำไมด่ดีเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไว้ไวใช้ด้วยกันครับผมเป็นผู้ทําพี่เป็นผู้นั่งหลับแล้วกันคือนั่งคู่เดียวกันต๊ะเดียวกันครับนั่งพี่สมามารถเขาไปอย่างเขาผมจะได้เขาสมุดอภิธรรมผมตั้งใจว่าผมจะมาค่อยๆดูแล้วค่อยๆคยิดคอืค อ, ค อ, ค อ, คอมันก็เริ่มจากเนนขอคัดลอกครับเพอผมจะออกใช่ไหมครับอ่าเน้นคือ จะออกเนี่ยมันขอให้มีไอ้ที่เรียนมันทั้งคำมันมันยืมกันไล่กันไปเราทำออนบ้าครับบา้านหนังสือบา้านแล้วมันก็ทํากันไปทำกันไ ป, นไปจากเน้นนี้ก็ไปในนนูน้นจากเน้นนู้ก น, น, นก็ไปพระนี้ไปพระไปไหนไม่รู้ครับแล้วแล้วมันเลยไม่กลับมายังดีวินัยมันกลับมาเล่มหนึ่งแต่ไม่รู้แต่แตผมเสียดายเอ า, าอวิธามากกว่าวินัยเพราะวินัยเราดูในหนังสือนี่ก็เรามีหนังสือแล้วใช่ไหมครับแต่อาจารย์มันศึกไปหมดแล้วครับ ผมไม่รู้ม่ตามมันอะไรหนังสือขณะที่มันถ่ายถ่ายถ่ายถ่ายไว้ไปถามมันบอกมันไม่ได้เอามาเลยไม่รู้ไปไหนหมดแล้วพอออกจากฐานโอก็ย้ายไปสํานักแล้ย้ายไปสนักนี้มันก็ไปทิ้งที่สํานักอื่นนะครับถ้ามันทิ้งหน้าโอไม่หายครับถ้าทิ้งฐานโอไม่หายผมถามตัวว่าหลอกอมิทําไว้มั่งไหมผมเคยเห็นแต่ผมไม่ได้หลอกอ่านแล้วไม่เห็นรู้เรื่องเลยผมเลยไม่หลอกอ่ะ อะไรวะตรงนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ลูกศรตรงนู้นไอ้นี่ตรงนัน้นแล้วไปเขียนอะไรอยู่ตรงกลางยังว า, าดรูปวาดแผนที่ม้วนตัวไปหมดอะไรอย่างนี้คือคือมันมีตัวบาลีอยู่ในนั้นไง <S <S แล้วผมก็ส่วนมากจะใช้เลขมาแล้วก็ดอกจัน์ดอกจันรอะไรแล้วก็ผมดูแล้วผมรู้ว่าตัวนี้หมายถึงขงบวนไล่ไล่ไลแล้วว่าผมทาคล้ายๆหนังสือครับวิธีของผมทําคล้ายหนังสือ ตั้งหัวข้อแล้วก็ไล่ลงมาอธิบายตั้งหัวข้อไล่ลงมาไล่ลงมาแล้วก็สืบยงถ้าผมเขียนหน้าไว้ด้วยหน้า น, นี้อ่านอย่างเนี้ไม่เข้าใจมันจะไปมีอธิบายในเรื่องอื่นก็ผมก็เอากลับมาทําครับไอ้นี่ต้องไปดูอธิบายหน้าน้นหน้าน้า น, นต้องไปเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้อย่างเนี้ยมันมันเลยอีลงจงนัง น, นะครับแต่มันเป็นระเบียบครับมันเป็นระเบียบดีออกํามันเป็นระเบียบดีมาเต็มเล่มเลยครับสมุดเล่มเต็มเต็มเลยเยอะครับผมเสียดายมากเล่มนั้นผม ถามหาอยู่เรื่อยที่ทํามโอไม่มีใครช่วงหลังไม่มีใครเห็นบอกว่าเน้นออกไปก็เอาไปแล้วช่วงหลังๆมาเขาเอาไปกันแล้วเน้นนำก็สึกไปอ่าต่ อ, ะตอ น, นะครับหมดแล้วเรื่องปกปิดไม่ปกปิดอะไรนี่เขาบอกว่าจะต้องในจะต้องเอาบัตรตอนไหนก็แล้วกันครับก่อนพัดหลังพัฒน์อะไรอะไรก่อนอารมณขึ้นนะแต่ต้องบอกภายในอารุณ ถ้าต้องใกล้ๆอรุณแล้วรอให้อรุณขึ้นไปแล้วยังไม่ได้บอกก็ชื่อว่าปกปิดหนึ่งราตีนะครับหนึ่งราตีนับเท่ากันต้องโน่นนะพออรุณขึ้นมาก็ต้องเลยแล้วก็รอไปจนอรุณขึ้นไม่ได้บอกก็หนึ่งราตีต้องก่อนอรุณขึ้นแล้วก็รอจนอรุณขึ้นไม่ได้บอกก็หนึ่งราตีเท่ากันคนะครับเท่ากันนั่นตรงนี้นะครับเท่ากันแล้วทีนี้เขาบอกว่า อ่าตรงตรงนี้ที่โมกนุนี้อ่าอ่าจดตรงนี้ทั้งนี้ถึงก็จะน่าจะเป็นประโยชน์เพรว่าอ่าตรงนี้นะตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องใช่หัวข้อมันคือที่ที่ ท, ที่มหาน้อมถามนะครับว่าเราจะบอกอาบัตสังฆธิเศตรับกับกับภิกษุผู้ประพฤติวัดหรือผู้ต้องอาบัตสังฆธิเศษยังไม่ได้ประพฤติวัดก็ดีนะครับได้ไหมนะ่ะก็เลยตอบตรงนี้นะครับว่าอ่าไม่ควรภิกษุผู้ต้องอาบัตสังฆติเศษนะไม่ควรบอกอาบัต อาวิกาเรอาวิกาตุงนะครับไม่ควรกระทําให้แจ้งนะครับหรือควรไม่กระทําให้แจ้งในที่นี้คือบอกนะครับไม่ควรบอกในสํานักของพิกสู้ต้องอาบัตสังฆาทิเศษเหมือนกันโคดเดียวกันคือจะข้อไหนก็แล้วแต่สภาฆาสังฆาทิเศษสังฆาธิเศษเหมือนกันไม่ได้ข้อเดียวกันก็ได้ไม่เป็นไรข้อเดียวกันก็ได้ไม่เป็นไรไม่ควรนะครับไอในที่นี้คือ ภิกษุนั้นจะประพฤติวัดอยู่ก็ดีไม่ประพฤติวัดอยู่ก็ดีคือต้องแล้ยังไม่ได้ไม่ได้ประพฤติสมมุติว่ามหาน้อมบอกกับท่านพิสิธิ์อย่างนี้ท่านพิสิต์ดันต้องสังฆติเศตอยู่ด้วยยังไม่ได้ประพฤติวัดคือต้องแล้วยังไม่ได้ขอใช่ัหมก็ไม่ได้ประพฤติวัดอยู่ก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ควรไอ้คำว่าไม่ควรในทีนี้นะครับไม่ควรในที่นี้ไอ้ไม่ควรในวัดจักรฐานะกในที่นี้นะครับ ในขันธากะทั้งหมดคมําว่าไม่ควรใช้นักวัตติคําว่าไม่ควรในในขันธากะทั้งหมดคือต้องเอาบัตทุกฎหมดเลยนะครับหมดเลยเดี๋ยวเขาจะขยายข้างล่างเดี๋ยวเราจะรู้สเจอาวิกโรติแต่ถ้ากระทาให้แจ้งล่ะคือบอกล่ะ <c oughs> ท่านบอกว่าไม่ควรแต่ถ้าบอกล่ะอาปติอาวิกตาโหติอาบัตดก็เป็นอันบอกแล้วนะครับ <c oughs> ครับไม่ไม่ไม่ปกิดลถ้าขืนบอกลงไปล่ะ อาบัตก็เป็นอันบอกแล้วทีนี้ต่อไปอีกทุกตาปฏิยาปนะนะนะนะมุจจติแต่ว่าเธอไม่พ้นจากอาบัตทุกกฎเพราะฉะนั้นคําว่านะวัตติข้างบนแสดงถึงทุกตาปฏินะครับเพราะฉะนั้นในในในขันธากรรทั้งหมดเลยถ้าเราไปไปดูคำถ้าเจ อ, เจอคําว่าไม่สมควรไม่สมควรไม่สมควรในทีน่นี้คือต้องอาบัตทุกกฎทั้งหมดนะครับ ใ น, ในขันธกรรมต้องเอาวัตุกันทั้งหมดนะครับตรงนี้แต่ น, นั้นอยู่ตรงเงี้ยองน้อยแกเก็บไว้ตอนแรกตอแรกมันเสียบอยู่ตรงห น, นังสือนี่ไม่รู้ไปไหนแนะล้วเขียนครับนี่เป็นเป็นเป็นแบบนี้เต็มเลยอย่างนี้เป็นอย่างนี้มงคนยังอ่านอยู่เลยวันนั้นวันอุโบสถนะเนาะผมว่าจะไว้เขียนพอดีเลยเล ย, เลยหายไปแล้ว อบอกเออผมเขียนมาด้วยพูดด้วยไงยแต่ผมว่าจะจะเอาไว้เ ว, วลาเรียนไงก็เลยมันผมบอกองน้อยไว้ว่าไว้เขียนเวลาเรียนแล้วกันถ้าเราบอกว่าอาปฏติอย่างนี้ชื่อว่าบอกบอกบอกโดยอาบัตชื่ออาบัตทั่ ว, ว, วไป หางพันเตอาปบาปดโยเออนี่อารบาดโยเราบอกโดยโดยโดยสถานะโดยชื่อทั่วไปของเรียกว่าอาบัด ต, ต้องทําอย่างนี้ทาำนี้อาบัดหมดนะใช้คําว่าอาบัดอย่างนี้สาธานะทั่วท่วไปเลยทั่ ว, ท, วทั่วไปวครับแล้วนะถ้าถ้าเราบอกว่าถ้าเราใช้คําว่าเราต้องข้อที่หนึ่งสุคาวิาทัตตินะครับใช้คําว่าสุคาวิทัตธินี่ชื่อบอกด้วยวัดโดยวัตถุด้วยบอกโดยโคดด้วยวัตถุคือข้อมัน โคดมันคือครับเป็นโคดเดียวกับสังฆาทิเศสนีเลย natural. คือเป็นอาบัต์ชั่วยยาบใช่ไหมครับอย่างนี้โคดมันแล้วถ้าเราบอกโดยสังฆาธิเศโสใช้สังฆาธิเสโส ช, ช, mm. ชื่อว่าบอกโดยชื่อด้วยชื่อมันเลยเพราะอาบัตมีปัเอกประสิทิสท์สังฆาทิเศสอะไรอะไระไรอไรอย่างเงี้ยบอกโดยชื่อว่าเป็นเป็นชื่อนี้ชื่อว่าสังฆาธิเศสนีแล้วชื่อว่าบอกโดยอาบัตด้วย คำว่าสังฆนิเศษมันเป็นอาบัติด้วยหมายว่าอย่างนั้นบอกทั้งชื่อบอกทั Wells, ท that, ้งอาบัตนะครับใช้คําเดียวถ้าถ้าบอกโดยอะไรกันหมดแล้วมังแขนนี้มันกลับกันไปกับมาหมดแล้วฮะจะบอกเป็นข้อข้อข้อข้อก็ชื่อว่าบอกโดยวัตถุและบอกโดยโคดนะครับบอกโดยสังฆนิเศสนี่อันเดียวก็บอกโดยชื่อและบอกโดยโดยอาบัตนะครับบอกโดยคําว่าอาปัติหรืออาปาติโยอย่างนี้ก็ชื่อว่าบอกทั้งหมด นะครับบอกรวมรวมบอกรวมครับก็ชื่อว่าเป็นนั้นบอกเพราะฉะนั้นบอกคําใดคำหนึ่งใช้ได้แต่ถ้าเอามารวมกันหลายคำได้ไหมได้ไม่เป็นไรชื่อว่าบอกชื่อด้วยบอกโคตรด้วยบอกวัตถุด้วยบอกอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรบางที่ท่านบอกว่าบอกแบบเนี้อ่ไม่สาเร็จอหรือไม่ดีไม่ไม่ตรงไม่ตรงต้องตามตามที่เป็นคือท่านว่าที่จริงแล้วเนี่ยน่าจะบอกต้องอะไรก็บอกกันนั้นไปเลยต้องปาิตีก็บอกปต้องเพือบอกเือ ครับท่านบอกก็ถูกแต่ไม่ไม่ใช่ว่าของคนอื่นมผิดไม่ใช่ไม่ใช่คือถูกแต่ไม่ใช่ว่าของคนอื่นผิดถ้าท่านที่ที่ที่บอกอย่างนั้นพุทธเจ้าก็อนุญาตเธอจะบอกทีละตัวทีละข้อทีละข้อทีละข้อคือทีละวัตถุก็ได้เธอจะบอกรวมๆก็ได้นะครับจะบอกเฉพาะชื่อมันก็ได้จะบอกเฉพาะโคตรมันก็ได้จะบอกเฉพาะอาบัติก็ได้หมายความว่าอย่างนี้นะครับทั้งหมดเลยได้ ออ่าคําว่าสังฆนิเศมันเป็นชื่อด้วยมันเป็นชื่อโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมแล้วมันก็เป็นอาบัตด้วยสังฆทิเศว่าไม่ใช่ว่าเป็นทางไปสู่พระนิพพานไม่ใช่มันเป็นอาบัตเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใช้คําว่าสังฆนิเศก็รู้ได้ว่านี่เป็นชื่อของอาบัตอย่างหนึ่งเป็นชื่อด้วยเป็นเป็นเป็นตัวอาบัตด้วยใช่ไหมครับถ้าบอกโดยสุขวิสัติมันก็อยู่ในสังฆทิเศอีกมันก็ชื่อว่าบอกโดยข้อคือวัตถุ แล้วบอกโดยโคดว่าเป็นอาบัติชั่วยาบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันมันจึงได้ฮะไอไอบอกอย่างนี้อย่างอย่างอย่างข้อว่าข้อที่หนึง่งสุขวิสัทีิไหมสุขวิสัทธิมันเป็นอาการเลยเป็นข้อมันว่าเราต้องผมต้องเพราะผมต้องด้วยวิธีทําอย่างนี้ท่านทิ่ผม ผมเนี่ยนะวันเนี่ยนะตอนเช้านะผมทําสุกกะให้เคลื่อนแล้วนะครับอย่างนี้ใช่ไหมว่าชื่อเอข้อนี้เนื้อความมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านจึงเอาคําอาการตรงเนี้ยมามามาเป็นชื่อข้อเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบอกโดยวัตถุหมายถึงข้อมันอาการของมันข้อมันข้อหนึ่งข้อข้อมันคือชื่อของมันเลยไอหนึ่งแม่สามครับไอหนึ่งนั่นชื่อว่าหัวข้อหัวข้ออ่าอครับอย่างนั้นข้สามนั่นข้อ รวมถ้าบอกรวมๆ ม, ม, มาสิบสามนั้นโคตเลยสังขารที่เศษนี่ก็หมายถึงรวมสิบสามข้อย ค, ครับโคตรนะครับโคตรไม่ใช่โคตรในที่นี้เอาเอาบัตช่วยหยาบโคตรมันครับครับครับนะครับอย่างนี้ไม่ได้ไม่จะเกิ ด, ดพยายามไม่เข้าจนะครับไม่ไม่จะเกิ ด, ด, ดความยินดีไม่เกิดความยินดีแต่เราไม่พยายามเราจิตนั่งเยอะๆก็มาจับเราแต่เรายินดีอาบัตหรือไม่ว่างนะครับไม่ไม่เกิดความพยายามเราจิต ก็มาาจเอพยายามนี่คือคือไม่ไม่ใช่ไม่บอกครับปล่อยเขาจับครั้งที่เกิดเขาาขยับมือขยับมือก็เลยอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับตรงนั้นพยายามแล้วครับไม่ใช่เอ้ยเฉยเฉยยินดีนี่ยินดีนี่ไม่ใช่เอาพยายามเอาพยายามก่อนแล้วกันที่เขาถามพยายาม ไม่ใช่พยายามเสืยกสาไล่มือให้เขาจับไม่ใช่จับแล้วก็อืขยับอะไรนิดนึงก็ไม่ได้ครับนั่นคือพยายามแนะครับแต่ถ้าไม่มีความกำหนัดพยายามก็ยังไม่ได้เป็นนะครับอ่สมมติเราเขามาจับต้องกำหนัดเนี่ยเอาแขนไหนึงเขามาจับใช่ไหมเขาเขามาจับเขามาจับจะจะจะจะจะเจาะเรือจะวัดอะไรเงี้ยครับมันวางไม่ไม่ถึงนั่นเขาจับล้ แล้วเราก็ยกอ่ะต่อไปเลยอะทั้งที่เขาจับอยู่อย่างนี้นี่ไม่ใช่ชื่อว่าพยายามครับตอนนั้นไอ้พยายามคือมันต้องในในภายในแห่งความกำนัดนะครับความยินดีอย่างท่านพิจิตรนี่ห้าปีแล้วไม่ได้เจอนะอครับอะไรว่าเฮ้ยโอ้ยนี่มวยโอ้ยอย่ดงนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับอย่างนี้ยินดีแล้วครับพอใจในการสัมผัสอ มันมันคิดอย่างครับอย่างมันคิดเตรียมใจ ไ, ไว้เลยครับอ่าเราจะบริจาคเลือดย่าเนะะย่าเนั่นนะนะเออ อ, อย่างนี้อย่างนี้ครับนนรถึงถึงไม่คิดไว้แล้วก็ดีบางคนมันไม่เคยโดนมาเลยอย่าง้ยอย่างเอาบางคนไปโดนใหม่ๆเลยโป๊หรือคนที่เคยโดนมาแล้วก็ดีมันพอใจอะครับออ พ, อพอใจในสัมผัสนั้นๆแล้วกันยินดีในทีนี้คือคือพอใจในสัมผัสนั้นครับไหปได้ไปไหนไว มาจับมันก็ดีอะไรอย่างนี้ครับครับมันนี่ครับคือความพอใจนะครับไม่ใช่ว่ากําหนดแบบงอนต้องไอ้นั้นเด็กขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ครับไม่ใช่หมายถึงที่นู่นไม่ถึงกระถางครับไม่ใช่ก่อนนั้นก็เป็นแล้วครับหมายความงั้นไม่ได้ไม่ใช่ไปวัดดีกี้อยู่ที่นู่นวัดวัดไอ้ฟ้าดันนี่หละโอ้ยประหลอดแตกไม่ได้ไม่ใช่ในที่นู่นนะครับแล้วทีนี้ จริงมันมีตรงนี้เราไม่ได้เรียนทั้งคณิเสธโดยตรงจริงๆมันมีละเอียดเยอะครับข้อนี้ละเอียดมากเลยครับไอจับต้องการหญิงละเอียดเลยสมมติว่ามีผู้หญิงนั่ ง, นงอยู่นี้ราจีวรหวานคลุมเลยไปเกาะเลยอย่างนี้ต้องบัตรอะไรครับมีมีมีความกำลังด้วยเอออนั่ง น, นั่งอยู่เนี้ยบึนบึนเออครับมีค ว, วามกำนังด้วยพัดไปพัดมาเออเอาต้องบัอะไรเอย จิตชอบไอ้ลาโมกิงเน่เวลาเรื่องอื่นน่าจะประงกตเรื่องนี้อักอักอักอักอัฮโอ้ไม่รู้ไม่รู้ให้วินิจฉัยตอนนี้ของเรื่องไม่พาอ่าของเรื่องเรื่องอ่าออันนี้เราจะรับครับฮะเอาท่านวิจิตว่าว่าอะไรว่าอะไรต้องการอะไร ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชรบไอพวกซา ด, ดิสเน่ฮะจัองหวัดอะไรรู้ด้วยว่านั้นผู้หญิงครับรู้เขาเป็นผู้หญิงสำคัญว่าเป็นผู้หญิงอาวจีวรหวานลงไปโดนคุปอ้าวต้อง อ, อะไรเออไม่ได้ถามแม่ออกไปเรื่อเยเปื่อยแล้วถามไม่ตอบต้องอะไร ไม่เบาเหลือเกินโอ้ยโอ้ยก็แต่หนูจะให้ดูส่วนขอโทษหนูนะทุกคนที่ต้งทุกคนเจ้าที่นี่ครับมีผ้าคลุมล้วเราไปจับใช่ไหมครับถ้าข้างในนี่มันอีกอีกอีกอีกวัตถุหนึ่งใช่ไหมครับที่นี่มันอีกวัตถุของเราวัตถุใช่มครับแต่นี่ผมพูดที่ตัวเอาสิทีนีย เอาเจ้าที่นี่ท่าที่นี่ไหมมีมีผ้ามาไหมมีผ้าติดเนื้อออกไปจากที่นี่จากที่นี่ต้องถุนละใจทีนี้ปอบเลยรัดเลยเอาทั้งตัวเลยเอาหัวหวังกลนตูดเอาหมดเลยเอา้อาวอ้าต้องอะไรตอนนั้นก็บอกว่ามีจิตวิญญาด้วยเอออันนี้สิ่ชะงงไหมงายมันสูงนั้นแล้วงายมันลงต่ำเกินไปมันต่ําินต้องถุนละใจครับครับอย่างครับ เพราะไ ม, ไม่ยังไม่ใช่กายตอนนั้นยังไม่ใช่กายตอนน้องอันนี้ยังของเนื่นนองโดยกายอยู่ครับอืมออืม อ, อันนั้นถุงมือ น, นั้นไม่เป็นประมาณบางเกินบางเ ก, กินไป <c oughs> เออบางทีเดียวแก้วจอไมา้ผมใส่ไว้ล้างของน้องของน้ำผมใส่เข้าไปฉีกเลย ก็มือแก้วแค่นี้เองนิ้วมันอันดูเล็กๆนิ้วหัวแม่โปผมเอาินีนี่ยังอย่างตรงจงผมขาดทะลุไปดังนั้นนิ้วยังตัวมือขนาดนี้ไม่มีมือหมอเลยหมอไม่มีมือขนาดนี้เออนั่นดิใช่อ่าอ้าใช่ไหม ไม่ใช่ม oh. <laughs> <laughs> <laughs> ่ผิดน <laughs> ี our ู <h muj> ่หด้เนี่ยเออแกกลังจะนอแต่นมแต่มันไม่เป็นอาชีพอ่าฮ่ณะนหงวนมันยังลาวกอยู่นอกเนะด้วย่าฮ่าฮ่าอ๋อที่ยังไม่ลุยกนเลยาอย่างนี้เอาพวกนี้เดี๋ยวเหลืออะไรเง กว่าสุขวิสัทธินี่นะครับชื่อว่าถือเอาโดยชื่อด้วยโดยวัตถุด้วยโดยโคดด้วยหมดเลยนะครับหมดเลยหมวบข้อมันนะในที่นี้เขามาสรุปว่าชื่อก็เพราะได้ยินแล้วก็รู้แล้วว่ะอันนี้มันมันมันเป็นชื่อของสังคติเจตตัวหนึ่งไหนไหม่เอาอย่างนี้เขาเอาหมดเลยนะครับทีนี้เอาหมดแล้วนะครับตรงนี้เอาผ่านไปเลยเอาเกี่ยวกับพวกอะไรเงี้ย ไอ้ที่นี้เกี่ยวกับกรรมวาจาแล้วครับพอสวดสวดเสร็จแล้วแล้วลืมบอกครับพอส่งสวดกรรมวาจาให้เสร็จก็ส่งลูกไปเลยไอ้นี่ก็ยังมัวคุยอยู่เลยลืมบอกอย่างนี้ท่านจะทำยงไงท่านบอกว่าถ้ายังมีองค์นึงเหลืองเหลืออยู่ก็รีบบอกซะถ้าไม่มีก็ต้องรีบตามไปบอกซะองค์หนึง่งคือเจ้าองค์ไหนก่อนก็บอกองนั้นเลยแล้วค่อยบอกอีกอีกครั้งหนึ่งในในขณะที่ท่านประชุมกันในเวลาอื่นในราตรีนั้นนะครับในราตรีนั้นหมดแล้วเนื้อความตรงนี้เดี๋ยว ออตรงนี้ตรงนี้ที่บอกว่าตรงนี้มีอีกข้อนึงถ้าเกิดมีคนเขาว่าในปริวาสนะครับในปริวาสกับปกตัตะเนี่ยเดี๋ยวเดีในปริวาสกับปกติตะเนี่ ย, ด ย, ด ย, ดดยลดพันษากันนะครับเรามีเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่ควรจะพูดให้เขาได้สตินิดนึงอ่าสมมุติว่าพอในนี้ท่านอนุญาตไว้ว่าถ้าบอก เอกษูผู้ประพฤติวัดถ้าบอกแก่เิกษู่ผู้อ่อนกว่าควรใช้คําว่าอาวุโสถ้าบอกกับผู้แก่กว่าควรใช้คําว่าพันเตใช่ไหมครับทีเรารู้ได้ไหมว่าถูกรดทันศาหรือไม่ใช่ไหมครับอ่าตรงนี้น่าจะเอาไปเอาไปหลักฐานไว้นิดหนึ่งเมื่อคืนผมอ่านโดนตรงเนี้ยครับผมอ่านหลายทีแต่ไม่สังเกตแต่พอมันมีดัญหาเข้มาแล้วถ้าอ่านอีกครั้งหนึ่งนี้มันจะ มันจะนึกอ๋ตรงนี้เป็นเห็นผลได้ตรงนี้เป็นเห็นผลได้นะครับไม่ทาบัตรเลยไม่มีการปร่งบัตรแล้วก็ถ้าจะโปรงก็โปรงกับอาจารย์กรรมมีอีกครับพอสวดอภิษฐานแล้วอ่าธรรมดาก่อนที่จะนั่งอันดับนี่พอสวดปุ๊บอีกสามองค์ก็ลุกออกไปไหมสามองค์ที่ออกใหม่ก็แทนนั่งแทนบนเรียนไปอ่าแล้วเขาก็ปร่งบัตรกันเขาก็ปร่งบัตรเลได้ไม่น้อยที่ในระหว่างอยู่เก้าวันไม่ได้ปรงกันเลยน่ะเ้าก็ปรงกันเสร็จแล้วบางองค์ก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องปรง เราออกจากสังคาที่เศษนี่มันอาบัดใหญ่อาบัดน้อยก็ถือว่าโอ้ยออกแล้วคือคือจะอาบัดยกของใหญ่ออกแต่แดงของม้อมันติดไปด้วยไงของเราตรงกันนี่ประมานี้ของน้อยติดไปด้วยหรือเปล่ามันก็ไม่ติดยกยกไป้สาน้อยออกไปแตดงไอ้เหรียญสามเหติดไปในใน3า0น้อยด้วยเพราะเวลาเพราะเวลาเพราะฉะนั้นเราไปซื้อของราคาสามน้อยสามบาทเราก็ให้ไปแค่สาน้อยเราบอก สาามันติด็นในนั้นเนี่ยเพราะมันอยู่นี้สาม้อบาทนะออกถ้าอาแบงค์ใหญ่ไปสิอย่างนี้จะ้าเท่ากันหรืเปล่าแต่ของเรียกของใหญ่ไรียกของใจญ่เราอมาการของใหญ่เราถือดว่าใหม่พรระนสองถ้ามาถึงบริวารจิกรรมที่สุดเนี่ยรถพรรษระจนไม่เหลือพันสระหรือเปล่าเห็นไหมครับกับกับประกาศสามที่สุกผู้มีพันสระเรีพรกันหรือเปล่าเรารู้ได้จากตรงนี้ว่าไม่ลดเพราจ้านิญาตอย่างนี้ว่า เวลาศิลาพิสูจน์นี่าเมื่อจะบอกนะครับบอกบอกบับาพิสูจน์ A พิสูจนผู้อ่อนกว่าประกาศตาวิสูจนผู้อ่อนกว่าผู้นสมักว่าพึงกล่าวว่าเอาโหนนะครับยังใช้่อยู่เดิมนะครับพึงกล่าวว่าเอาโหนถ้าบอกกับพระกาศตาวิสูจน์ผู้แก่กว่าพึงใช้คําว่าพันเตคือเคยใช้กันยังไงก็ยังใช้อยู่อย่างเดิมให้เขารบเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นทานสมไม่ได้ต่างออกไปไม่ได้แตกต่างกันนะครับ อ๋อหน้าแล้วเห็นเราเองเนี่ยหน้าสองเจ็ดเจ็ดครับสองเจ็ดเจ็ดนะครับเอ้ตรงนี้นะครับไอ้ตรงตรงอะไรอะ่ะตรงเก็บวัดไม่เก็บวัดคงไม่ไม่บูดแล้วนะครับยืดยาวเลยมันจะไปซ้ำๆกันแหละคือไอ้นี้ในวัดเล็กนะครับในวัดเล็กในวัดเล็กนี่ ไม่ต้องเก็บวัดแล้วก็นับอรุณภายในวัดเลยคือมันไม่ลําบากเลยการบอกใช่ไหมครับอาคันธุกะไม่มากอย่างนี้นะครับแต่ถ้าอา่าถ้าว่าละอาละอาด้วยการบอกอาคันธุกะถึงจะเป็นวัดเล็กมีพิจูน้อยก็จริงแต่มันบ่อยละอาแล้วขี้เกียจตอนแรกไม่ได้เก็บวัดมันละอาแล้วตอนนี้ละอาจะเก็บวัดก็ได้นะครับจะเก็บหรือไม่อย่างนั้นก็เก็บวัดแล้วก็ไปประพฤตินอกวัดก็ได้นะครับละอาแล้ว นะครับตรงนี้ละอาแล้วก็ออกออกจากเมื่อเก็บวันแล้วออกจากนี่ออกจากออกจากอาวาสไปนะครับออกจากอุปจาระของของวัดไปสิสองตอกให้ลงทางใหญ่ลงทางใหญ่ไปหลบหลบอยู่ข้างรั้วข้างกําแพงข้างอะไรก็ได้เอาเอาไปไปกับประกตาแล้วกันนะครับแล้วก็เผาพืชกันอย่างที่เราเรารู้รู้กันแล้วตรงนั้นเอาเป็นผ่านไปนะครับ ตรงนี้หมดแล้วน ะ, ะทีนี้ทีนี้ถึงปัญหาของท่านรถมันหมดเวลา ย, ยัางมั้ยยังถึงปัญหาของท่านรถว่าเคยได้ยินมาว่าได้ยินมาว่าอย่างนี้ว่าจูระเอุ้กท่นทุท่านตักปฏิวาตเนี่ยท่านท่านบัญญัติไว้ดีหลังเพราะฉะนั้นพวกพวกอะไรอะอะไรอักสมติอะอักขเสมมศทานก็ดีมิสกาเสมมทานก็นดี ส, มมดสรุปลงใน สุดทันตปริวาดนะครับคำคำนี้่เราต้องวินิจฉัยตอนนี้พอพอจบถึงจบแค่นี้แล้วขึ้นสุดทันแล้วนะครับขึ้นสุดทันตประวิวาดแล้วในในพระบาลีก็ดีในอัตถกถาก็ดีพอเกี่ยวกับเรื่องนี้พอแนะนําเรื่องวัดของบระวิวาดเสร็จแล้วขึ้นจุลสุทธันเลยนะครับจุลสุทธันเลยทีนี้หมอกาจะอธิบายจุลสุทธันกันแล้วว่ามันมีอะไรพออธิบายจุลสุทธันเสร็จแล้วจบแล้วจึงไปไปมีนู่นไปมี อสมุสมทรธนก็ไดว่านะครับแล้วจึงแจกสมุทรธนะออกไปว่ามีอะไรอะไรอไรบ้างแล้วจึงไปมิสกะสมุทรธนนะครับพันยิงมิสกะมันก็อยู่อยู่ในสมุทรธนนะครับแต่มันพิจารออกมาว่ามันแตกต่างกันนิดหน่อยก็เลยแยกชื่อออกมาว่ามิสกะเพราะนั้นมิจกะเป็นอันสุดท้ายเราเรารู้ได้ว่าในนี้ท่านไม่ได้เรีย ก, ไ ม, ไ, ยกไม่ได้บอกเลยว่าบัญญัติอัานไหนก่อนแต่ก็ไอ สุธันดำิวัตเรียงไว้ก่อนเพื่อนเลยนะครับแล้วท่านไปเอาหลักฐานจากไหนมาว่าทั้งหมดสรุปลงไอ้สุทันดวิวัตบัญญัติขึ้นทีหลังใช่ไหมครับแล้วพวกนี้สรุปลงในนั้นจริงๆแล้วสุทันเกิดในนี้เรียงลําดับเป็นที่หนึ่งเลยถ้าจะพูดถึงชื่อชื่อปริวาตนะครับเรียงลําดับไว้ที่หนึ่งบอกว่าบอกวิธีปฏิบัติบอกวิธีทั้งหมดแล้วับเริ่มเลยเริ่มเลย นี่นาะอย่างนี้พำคันนะอย่างนี้อาคะอย่างนี้อะไรนะนิสัยการนะจะเรียงลำดับอย่างนี้ครับ